hmm <tries> สักปีสองปีที่แล้วมันมีข่าวว่าผัวเมียคู่หนึ่งถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งสี่สิบล้านส0สิบล้าน่านอยๆเขาจะว่าคงเป็นเพราะมีอาชีพขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากก็เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดังทั่วประเทศผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นึงก็ปรากฏว่า ก็มีข่าวอีกว่าผัวเมียคู่นี้นประสบอุบัติเหตุนะทางรถยนต์ก็ตายตายทั้งผัวทั้งเมียเลยเวลาเราอ่านข่าวนี้แล้วเนี่ยนะลองมาเปรียบเทียบกับตัวเราหรือมาถามตัวเราเองว่าระหว่างผัวเมียคู่นี้กับเราเนี่ยใครโชคดีกว่ากันเรา แต่ละคนในที่นี้ก็ไม่มีใครถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักคนนะถ้าจะให้เลือกนะว่าจะเป็นอย่างพวเมียคู่นี้หรือว่าเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ก็คือยังมีลมหายใจนะเราจะเลือกอย่างไหนก็เชื่อว่าทุกคนคงว่าขอเลือกอย่างที่เป็นอย่างเราทุกวันนี้แหละถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่สิบล้านแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานเนี่ย มันจะดีตรงไหนนะพวกเราคงจะคิดแบบนี้แล้วก็คิดต่อไปว่าเออถึงแม้เราไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่เราก็ยังมีชีวิตยอยู่จนถึงวันนี้นะก็ถือว่าโชคดีโชคดีกว่าโชคดีกว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 40ล้านแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเคยมองแบบนี้บ้างหรือเปล่านะว่าเราโชคดีนะที่มีชีวิตมาถึงวันนี้ การที่มีชีวิตยืนยาวนี่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะเดี๋วว่าแต่สิ่สิบ้านเลยร้อยล้านก็มันก็ซื้อชีวิตให้ชีวิตยืนยาวขึ้นแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้แต่เราก็มีชีวิตมาถึงวันนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังมีชีวิตต่อไปเช่ยนยังอยู่ต่อไปจนถึงวันออกพรรษายังอยู่ต่อไปจนถึงวันปีใหม่วันสงกรานต์ปีหน้า แล้วก็อยู่จนถึงวันข้าภพรรษาปีหน้าเนี่ยก็ถือว่าเรามีโชคนะจะมีกี่คนที่คิดแบบดีบ้างหลายคนคิดแต่ว่าขอให้ถูกร็ตตุดีรางวัลที่หนึ่งขอให้ถูกหวยรวยเบอร์พอไม่ถูกก็เสียใจแต่ไม่ค่อยมีใครคิดว่าเออที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้และหากยังจะมีชีวิตต่อไปจนถึงวันพรุ่งนีนะ้จนถึงเดือนหน้านี่ปีหน้าเนี่ยเป็นโชคแล้ว ไม่ต้องถูรัตเตอรี่ก็ได้แค่มีชีวิตได้จนถึงปีหน้าเข้าพรรษาปีต่อไปเนี่ยก็เป็นโชคแล้วหัดคิดแบบนี้ซะบังนะมันจะได้รู้สึกว่าเออเรานี่อมีโชคไม่รู้สึกว่าเป็นคนอับโชคนซื้อหวยเท่าไรกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยถูอิการที่มีชีวิตยืนยาวจนถึงวันนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าถูหวยอีกนะยิ่งกว่าถูรัตตอรีรางวัลที่หนึ่ง หลายตัวด้วยซ้ํานะเคยคิดแบบนี้บ้างไหมเมื่อคิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะก็อย่าอยู่เปล่าๆ เ, เราได้รับพรได้รับโชคแล้วก็ควรทําความดีตอบแทนไม่ใช่ว่าเออเราอายุยืนแล้วก็ก็เลยอยู่ไปวันไปวันๆเราให้พยาโยมันลาดมาเอาตัวไปควรถือว่าเมื่อเรามีชีวิตยืนยาวอย่างนีนะ้มาจนถึงทุกวันนี้ และหากยังจะมีอายุมีชีวิตยืนยาวต่อไปจะนานเท่าไหร่จะ ก, กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะก็ขอใช้เวลาที่ได้เพิ่มมาในการทําความดีเป็นการตอบแทนอย่าไปคิดว่าเออฉันโชคดีนะที่วันนี้ไม่ตายแล้วก็จบนะมันไม่ได้มันไม่พอนะต้องทําความดีตอบแทนทําความดีทุกวันที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไป ถ้าผู้นี้ยังอยู่ก็ทำความดีถ้ามือเลือนนี้ยังอยู่ก็ทำความดีอยู่นานอยู่นานเท่าไหร่ก็ทำความดีนานเท่านั้นให้ทานรักษาศีลนะช่วยเหลือผู้คนราเวลาให้ทานให้เวลาให้ทานก็ให้ไม่ว่ากับพระกับเพื่อนบ้านกับคนยากคนจนคนที่เดือดร้อน รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีนะเป็นไทยก็ดีนะเป็นต่างชาติเป็นพมา่าลาวเขเมรโลหิงยานะก็มนุษย์เหมือนกันแล้วก็ช่วยไปถึงเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์ด้วยนะไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนะี่ยอย่าไปดูถูกนะว่าช่วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วมันได้บุญน้อยใครจะไปรู้นะมันอาจจะมีนิสงทาให้เรามีชีวิตยืนยาวก็ได้ อย่างนี้ก็มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยคนที่เ็ถึงคาดลนะหมดลหมดอายุไขแล้วอายุยังไม่มากเป็นคนใช้ของบ้านเศรษฐีสินแสมามาดูคนนี้เป็นคนที่มองอะไรดูอะไรแม่นมากแล้วก็บอกเจ้านายเศรษฐีว่าเนี่ยคนใช้คนนี้อยู่ได้อยู่ได้ไม่นานนะ เฉยที่ก็เลยสงสารยอมให้ไปเที่ยวบ้านกลับไปเยี่ยมบ้านแต่ไม่ได้บอกว่าชะตาเธอเนี่ยถึงคาดแล้วอายุไขหมดแล้วาหญิงสาวก็ดีใจจะกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ได้เยี่ยมนานแล้วเพราะอยู่ไกลสมัยก่อนต้องเดินเนากลางทางก็เจอหนองน้ําที่มันแห้งน้ํามันลดนะน้ําก็แห้ง ก็มีปลาหลายตัวมันติดปลักเนี่ยมันก็ดิ้นกระเสือกกระสนปลาเยอะทีเดียว แ, แทนที่หญิงสาวจะดีใจเออได้ปลามากลหาทางช่วยนะหาทางจับมาไปปล่อยตรงหนองน้ำนะที่มีน้ําลึกแล้วก็กลับเราก็เดินต่อไปถึงบ้านพ่อแม่เห็นก็ดีใจหญิงสาวก็อยู่พ่อแม่อยู่นานนะเป็นเดือนก็คิดว่า ถึงแม้ไม่ได้ถึงแม้เจ้านายไม่ได้บอกว่าให้ไปนานเท่าไหร่แต่คิดว่าเดือนหนึ่งพอแล้วก็เลยกลับไปทางานต่อนะเศรษฐีซึ่งเปนเจ้านายเห็นโอ้จาจเอายังไม่ตายเนี่ยก็เลยไปตอบว่าสินแสสินแสก็เกิดอะไรขึ้นทำนายทายทักไม่เคยก็ไปถามหญิงสาวหญิงสาวก็ถามไปถามไปก็ได้ความว่าอ๋อทำความดีอย่างหนึ่งนะ ก็คือไปช่วยปลานี่แหละที่มันกำลังจะตายหญิแสาวเลยเชื่อว่าเนี่เป็นเพราะอนิสงฆ์แห่งบุญนี่แหละนะที่ทำให้หญิงสาวก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทานซึ่งรวมไปถึงการช่วยเหลื อ, อสัตว์อื่นรวมไปถึงการให้ชีวิตไม่ใช่ให้แค่สิ่งของเนี่ยมันมีอนิสงส์ที่เราจะประมาทไม่ได้ สมัยนี้เนี่ยมันมีช่องทางให้ทำความดีได้เยอะนะดูแลรักษาลำห้วยเช็นลำปะทาวดูแลรักษาธรรมชาตินะปลูกป่าช่วยเหลือคนยากไร้รักษาสิ่งแวดล้อมทำงานนะเป็นจิตอาสาหรือไม่แต่ช่วยคนที่นะ เจ็บป่วยที่เราเห็นข้างทางอันนี้ทําได้ทั้งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันสมัยนี้มันก็มีสิ่งที่กระตุ้นให้เราทําช่วได้ง่ายมันมีโอกาสเปิดโอกาสให้ทําช่วได้ง่ายและเด๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่จะชักชวในให้คนทําชั่วคือเห็นคนอนื่นเขาทากันก็ทําบ้างมันมีคำพูดหนึ่งว่าเนี่ยใครๆเขาก็ทํากันนะ ใายๆเขาก็ทำกั น, นเช่นก็รู้ว่าการรักษาป่าดีนะแต่พอรู้ว่าคนนั่นคนนี้เขาก็ไปตัดไม้ในป่าวั น, ะนทีก็เป็นไม้ในวัดด้วยซ้ำใจนึงก็รู้ว่าไม่ดีแต่อีกใจนึงก็บอกว่าใครๆเขาก็ทำกันถึงเราไม่ทำคนหนึ่งเขาก็ทำเรารักษาป่าคนนี้แต่คนอื่นไม่รักษา มันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะมีเสียงพูดถึงเราไม่ทําคนหนึ่งเขาก็ทำํำก็เลยทำบ้างนะไปตัดไม้เขาบ้างนะไปล่าสัตว์ดักสัตว์กับเขาบ้างนะมันมีเหตุผลแบบนี้แหละใครๆเขาก็ทํากันถึงเราไม่ทําคนหนึ่งเขก็ทําข้าราชการนะมีช่องจะคอร์รัปชันแต่ว่าไม่ทำแต่ทําไม่ได้สักพัก มันก็มีเสียงกระซิบว่านเนี่ยใครๆก็ทํากันบางทีก็ไม่ได้คอร์รัปชันอะไรมากนะก็อาจจะไปไปเบิกเงินนะไปเบิกเงินเกินเช่นเขาให้มีค่าที่พักเวลาไปสมัมมนาต่างจังหวัดก็มีค่าที่พักค่าเดินทางแต่ว่าไปพักบ้านเพื่อนไปพักบ้านคนรู้จักนะแล้วก็เบิกเงินนะค่าที่พัก จากหน่วยงานหรือว่าไปเบิกเงินค่าน้ํามันนะบางที่ไปฟรีใจหนึ่งก็บอกมันไม่ดีนะใจใจนึงก็บอกว่าใครๆเขาก็ทํากันนะบางทีก็มีหน้าที่รับซื้อของก็ได้ค่าคอมมิชชั่นค่าน้ำร้อมน้ำชาจากพ่อค้าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยซื้อของของเขาได้ค่าน้าร้อนน้ำชามาก็ รับโดยไม่กระดาษเขาคิดว่าใครๆเขาก็ทํากันนะอันนี้ไม่ใช่ข้าราชการาเดียวเอกชนก็ทํากันอย่างนี้เยอะนะไปซื้ออะไรมาเขาก็จะให้ให้ค่าตอบแทนจะเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนใต้โต๊ะก็ได้อย่างนี้ก็รับกันไปทั่วนะเพราะว่าอ้างว่าใครๆเขาก็ทํากันไม่แต่พระเดีย๋ยวนี้ก็ทํากันแบบนี้นะทั้งที่ร่วมไม่ดีแต่ก็อ้างว่าใครๆเขาก็ทํากันถึงเราไม่ทำคนหนึ่งเขาก็ทํา แรงผักดันนะจากสังคมเนี่ยนะมันก็มีเยอะนะที่วัยรุ่นเนี่ยไปยกพวกตีกันจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยก็เพราะเห็นนี้แหละไม่อยากทำหรอกนะแต่ว่ามันทนแรงชักชวนของเพื่อนไม่ได้ใครๆเขาก็ทำกันนะเราไม่ทำเราก็เป็นหมาหัวเน่าก็ไปคนที่มีลูกมีเมียแล้วนะไปกิน ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนอพอกินเสร็จก็มีคนชวนเอ้าไปเที่ยวผู้หญิงต่อหลายคนก็รว้ไม่ดีนะแต่ว่าก็ไปเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นหมาหวัวเน่านะถ้าไม่ไปเพราะใครๆเขาก็ไปกันเราจะไม่ไปได้ยังไงนีนี้คนทำทาชั่วแล้ผิดศีลเนี่ยเพราะเหตุนี้เยอะเลยด้วยเหตุผลนี้แหละใครๆเขาก็ทำกันถึงฉันไม่ทำคนหนึ่งเขาก็ทำนะเพราะนั้นฉันทาบ้าง แต่แปลกนะเพเหตุผลอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้เวลาทำชั่วนี่แต่เวลาทำดีนะเวลาจะทำดีนะใช้เหตุผลเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะไม่ทำเช่นเห็นคนเขาล้มป่วยอยู่ข้างทางเป็นลมหลายคนก็เดินผ่านนะไม่ช่วยไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่มีน้ำใจนะก็มีแต่เขาคิดว่าถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยเพราะฉันฉันไม่ต้องช่วยก็ได้นะ ถ้าแปลกนะีเวลาจะทําชั่วเนี่ยใช้เหตุผลเดียวกันเพื่อจะทําชั่วว่าถึงฉันไม่ทําคนหนึ่งเขาก็ทําเพราะฉะนั้นฉันทําดีกว่าเช่นคอรับชั่นตัดต้นไม้ขโมยของเนี่ยคนหนึ่งเขาก็ทํากันึฉันไม่ทําคนหนึ่งก็ทำํำฉันทําบ้างแต่พอเวลาจะทำความดีเช่นช่วยหเหลือคนเดือดร้อนเบางที่ผู้หญิงกํลาลังถูกลังแกระถูกผู้ชายฉุดกระชากนะบางทีผู้ชายก็ตบตีผู้หญิง คนก็มุ่งอยู่รอบไม่มีใครช่วยเพราะทุกคนคิดว่าถึงฉันไม่ทําถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยดังั้นฉันไม่ช่วยดีกว่าเนี่ยคนเรานี่มันมีเหตุผลนะเหตุผลเดียวกันแต่เหตุผลเอาไว้ใช้เวลาเพื่อจะได้ทําชั่วแล้วก็เป็นเหตุผลเดียวกันเพื่อจะได้ไม่ทําความดีไม่เสียสละแม้แต่เวลาขึ้นรถรถเมลแน่นเนี่ยมันมีคนแก่บ้างมันมีผู้หญิงท้องมันมีเด็กบ้าง เห็นแล้วก็น่าจะช่วยแต่ก็ทำเป็นไม่เห็นเพราะคิดว่าถึงฉันไม่ให้ที่นั่งก็จะมีคนทำให้ถึงฉันไม่ลุกคนหน่งก็ลุกฉันไม่ฉนัฉ้ น, ฉ, นฉันนั่งต่อดีกว่านี่ที่คือเหตุผลของกิเลสนะเหตุผลเดียวกันเนี่ยแต่ว่าบางคราวใช้เพื่อทำช่วยได้สบายใจขึ้นแล้วก็บางคราวก็ใช้ไปให้ผลเพื่อจะได้ไม่ทำความดี นี่ต้องรู้เท่าทันนะอย่าไปอย่าใจอย่าไปพูดแต่อย่าไปใช้เหตุผลนี้อ้างนะเวลาทำชั่วเนี่ยใครๆาก็ทำกันนะมันเป็นเหตุผลของกิเลสนะที่ใช้ได้ผลมากเลยที่หลงทำให้คนเราทำความดีได้ยากนะนี่เมื่อพยายามทำความดีแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องนะก็ต้องทำดีให้ให้สม่ำเสมอนะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ คนเราไม่ต้องเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเมื่อทำความดีแล้วนะถึงแม้จะมีใครมาชักชวนให้ทำอย่างอื่นนะก็ไม่ไม่ไม่ไม่หวั่นไหวกล้าทำดีนะคนสมัยนี้นะกล้าทำชั่วแต่กลัวทำดีนะนะเวลาใครจะทำชั่วเนี่ยชวนกันไปทำชั่วนี่ไปกันนักนะส่วนหงพ่อมีหลายคนทำแต่เวลาทำความดีก็กลัว ก ล, กลัวเขากลัวเาว่ากลัวเสียหน้าอายนะจะไปช่วยคนที่เขากำลังล้มกำลังนอนป่วยเนี่ยไอเราคนเดียวคนหนึ่งเขาเดินผ่านเราจะไปช่วยนี่ก็อายนะอันนีก้กล้าทำช่วกลัวทำดีเน้นทำดีสมัยต้องอาศัยความกล้านะอาศัยความกล้าคร น, นี้กล้าแล้วเนี่ยนะกล้าทำความดีจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องฝึกนะฝึกว่า ทำความดีก็ไม่คาดหวังผลตอบแทนผลตอบแทนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินก็ได้นะอาจจะเป็นคําชื่นชมคําสรรเสริญหลายคนทําดีก็คาดหวังนะคาดหวังให้คนเขาสรรเสริญเราให้เขาชมเราเลีย้ยงน้อยๆก็ให้เขาเห็นว่าให้คนอื่เห็นว่าเราทําความดีสมัยนี้เนี่ยทาความดีก็ต้องมีการถ่ายรูปขึ้น f a เฟซ o ุ๊ก หรือว่าประกาศทางไลนะ์อันนี้มันเกิดจากใจที่อยากจะให้คนชมนะมันก็เป็นกิเลส ต, ตัวหนึ่งนะอยากให้คนชมอยากให้คนสรรเสริญบันนี้ก็ อ, อยากให้ครูบาอาจารย์เห็นไม่ต้องไม่ต้องมากนะแค่ครูบาอาจารย์เห็นฉันก็พอใจแล้วเวลาทาความดีก็ อ, อยากจะพูดอยากจะชอยากจะอยากจะประกาศอยากจะบอกคราวนี้พอไม่มีคนเห็นไม่มีคนชมก็เสียใจทาให้ท้อ หลายคนจะพูดว่าทาไมฉันทาดีแล้วไม่มีคนเห็นหรือว่าบางทีเจอคนก็ดินทาก็เสียใจยว่าทำไมทำความดีแต่มีคนมาว่าร้ายที่ทุกข์นี่เพราะว่ายังมีความคาดหวังอยู่นะคาดหวังว่าให้คนชมให้คนสรรเสริญอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วว่าแม้แต่การให้ทานเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังอย่าไปหวังว่าเขาจะเขาจะเห็นความดีของเรา ช่วยใครไปเขาไม่เห็นความดีของเราก็ช่างเขาให้เงินเขาให้เงินยืมเขาหรือให้เงินเปล่าช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราแล้วก็ช่างเขาเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนเราก็ยังทําความดีต่อไปเขาไม่เห็นความดีของเราเขาไม่สํานึกบุญคุณของเราเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราคือช่วยคนที่ลําบากส่วนหน้าที่ของเขาคือสํานึกในบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือ ถ้าเขาไม่สํานึกมันก็เป็นมันก็เป็นบาปของเขานะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราให้ทําทความดีแบบ น, นี้แหละทำดีโดยที่ไม่คาดหวังเวลาทําบุญที่วัดก็ไม่ได้หวังว่าจะถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ลองทําความดีโดยไม่คาดหวังบ้างแต่ตั้งใจทํำด้วยความเสียสละจริงๆอันนี้เป็นการฝึกจิตนะเป็นการเลื่อนขั้นนะ การทำความดีแล้แต่ยังหวังผลเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นการทำความดีที่บริสุทธิ์ใจมันยังเจอได้กิเลสยังเจอได้ตันหาอยู่เราก็ต้องฝึกนะให้การทำความดีของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆก็คือทำดีโดยไม่คาดหวังก้อนี้ถึงแม้ไม่คาดหวังให้คนชมแต่ว่ามันเจอคนด่าที่ซ้ำก็ไม่เป็นไรนะ ต้องมีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันนะฝึกให้มั่นคงเข้มแข็งในความดีใครก็จะดา่าใครก็จะว่าใครก็นินทา ย, ยังไงจิตใจก็ไม่กระเพื่อมก็ยังทำความดีต่อไปวันนี้ทำแล้วเนี่ยนะมันเกิดมีคนชมขึ้นมาไม่คาดหวังก็จริงแต่มีคนชมหรือว่ามีคนให้รางวัลหรือทาความดีแล้วประสบความร่ารวยความเจริญนะงานการสาเร็จนะ มีชื่อเสียงนะก็อย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันนะจริงอยู่เราไม่คาดหวังนะไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะมีคนชมมีคนสรรเสริญนะมีคนยกย่องหรือว่ามีเงินทองไหลามาเทมาเพราะเราทำความดีมีคนเห็นนะเราก็ไม่คาดหวังก็จริงแต่ว่าอย่าไปเผ่อยึดนะไปเผ่อยึดติดถือมัน่นนะอันนี้มันก็เป็นกับดักนะอีกอันหนึ่งของคนทาความดี ถึงแม้ไม่คาดหวังแต่พอได้มาก็เพลิดเพลินหลงไหลอันนี้เรียกว่ายึดติดถือมัน่นก็ต้องฝึกใจนะว่าอย่าไปยึดติดถือมัน่นของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปคํามชื่นชมสรรเสริญหรือว่ารางวัลผลตอบแทนพระอุตตร์ตรัสว่าเนี่ยผลแห่งความดียอมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาและประมาทมัวเมาในสิ่งนั้นพิจารณาคือว่ามีสตินะ แล้วก็เห็นว่าของพวกนี้เนี่ยเป็นอนิจจังไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็มันเป็นโทษกับคนที่ยึดติดถือมั่นนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเบ็ดที่มันซ่อนไว้อยู่ในเหยื่อปลานี่มันเห็นเหยื่อเห็นนอนมันก็เข้าไปฮุบนะทีแรกก็อร่อยนะได้กินเหยื่อแต่สักพักก็เจ็บเพราะว่าเบ็ดมันทิ่มเอานะนี่แหละพิษนะของพิษที่เกิดผลนี่คือพิษแห่ง ความดีนะถ้าไม่พิจารณาต้องฝึกเอาไว้นะทำความดีแล้วเนี่ยนะก็ต้องไม่ยึดไม่หนึ่งต้องไม่คาดหวังนะว่าจะได้นวนได้นี่ได้ไมาแล้วก็ไม่ยึดติดถือมัน่นไม่ยึดติดแม้กระทั่งว่าเอฉันเป็นคนดีพอเห็นว่าถ้าไปยึดมั่นถือว่าฉันเป็นคนดีมันก็เป็นกิเลสแบบหนึ่งมันทำให้หลงตัวลืมตนมันทาให ดูถูกเหยียดยามคนอื่นได้ง่ายก็เลยกยกตนข่มท่า น, นคนดีเนี่ยเสียผู้เสียคนก็เพราะเหตุนี้มาเยอะแล้วไปสำคัญมันหม า, าฉันเป็นคนดีนะก็เลยถือสิทธิ์ทำอะไรก็ได้คนดีที่มั่นใจในความดีของตัวนี่มันฆ่าคนมาเยอะแล้วนะพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อในศาสนาของตัวแล้วก็ปฏิบัติตามตามหลักศาสนาเคร่งครัดมาก จนกระทั่งเชื่อว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีพอเป็นคนดีแล้วเจอใครที่ไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาก็เห็อวเป็นคนชั่วเมื่อเป็นคนชั่วแล้วก็ถือว่าสมควรถูกกําจัดไปจากโลกแล้วคนดีที่ไปกํำจัดคนชั่วในนามของความดีก็มีเยอะโดยที่ไม่เฉลียวใจว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันกลายเป็นความชั่วไปซะแล้วใช่ไปก่อสงครามไปก่อการร้ายเนี่ยอันนี้พราะทำในนามของความดีเพราะยึดมั่นในความดี พยุดมันในความเป็นคนดีของตัวเนี่ยมันมีตัวอย่างมาเยอะแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในในขเขมรที่คนตายไปสองสามล้านคนสมัยพอนพศเนี่ยขเขมแรแดงเนี่ยพอ้พศนี่ก็เป็นคนที่เ ป, นนทเป็นคนที่สมถ t มากเลยนะเป็นคนที่มีมีราสีมากเคยบวชมาแล้วเขาเชื่อเขาเป็นคนดีนะก็ทำเพื่อมนุษยชาติงั้ในใครที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง การสร้างสังคมอุดมคติของเขาเขาก็ฆ่าหมดเลยโดยเพราะพวกคนมีการศึกษาใครสายแว่นตาก็ต้องประหารใครเป็นหมอใครเป็นสถาปนิกเป็นครู ก, ก็ต้องฆ่า ห, หมดเพราะพวกนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางสังคมอุดมคติสวรรค์อันที่เขาต้องการสร้างขึ้นถ้าคนดีที่ทำชั่วนี่มีเยอะมากเลยนะเพราะว่าถูกกิเลสมันหลอกนะกิเลสตัวนั้นคือมารนะความสำคัญ ม, มามาว่าเป็นคนดี วันนี้ต้องฝึกนะฝึกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในผลแห่งความดีตรงกระทั่งแม้งทําความดีแล้วไม่สําเร็จช่วยคนแล้วไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรนะไม่ทุกนะเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วรู้จักปล่อยวางได้หรือถึงแม้ทําสําเร็จก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอวดชูว่วาเป็นผลงานของฉันอย่างเจา้าพุทธบอกว่าเนี่ยทําดีเนีย่ยกผลงานให้เป็นของความว่างไม่ใช่ของกูนะ เป็นของความว่าเป็นของธรรมชาติถึงเวลาล้มเหลวนะมันก็ใจก็ไม่ล้มเหลวนะหลวงพ่อกำเคนท่านบอกเนี่ยงานล้มเหลวแต่หลวงพ่อไม่ล้มเหลวเพราะหลวงพ่อไม่ได้ยึดว่าเป็นงานของชั้นไม่ได้ยึดว่างานเป็นตัวกูหลายคนนี่ยึดงานไปเป็นตัวกูของกูทําดีก็จริงขยันก็จริงแต่พอมันไม่สําเร็จก็ทุกถึงถึงสำเร็จก็อวดนะว่ากูแน่กูเก่งนะีที่จริงมัน ไม่ฉลาดนะมันไม่ใช่เป็นของใครนะมันเป็นของธรรมชาตนะิยกให้เป็นของความว่างของธรรมชาติไปซะต้องฝึกนะทำความดีแล้วไม่พอนะต้องฝึกใจให้ไม่ยึดมั่นถือมัน่นความดียังทำไปนะแต่ว่าใจไม่ยึดมัน่นไอ้ไม่ยึดมั่นเนี่ยคือข้างในนะข้างนอกนี้ยังทำดีไปเรื่อยๆยังทำดีไม่หยุดแต่ว่าข้างในเนี่ยใจไม่ยึดว่ากูเก่งกูแน่ไม่ยึดว่า นี่เป็นความดีของกูไม่ยึดนั่นไม่ยึดมันในความสำเร็จไม่ยึดมันในผลแห่งความสำเร็จนั้นชื่อเสียงกษษษิตติยศเงินทองรางวัลเราต้องเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะทำความดีทำความดีแล้วก็ไม่ยึดไม่คาดหวังไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นฝึกไปเรื่อยจนทั้งไม่ยึดมั่นมาทั้งในตัวตนในตัวเ อ, ง, องนี่มันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะ เราโชคดีที่เกิดมามีชีวิตมาถึงวันนี้และถ้ามีชีวิตต่อไปไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะก็ให้ใช้โอกาสนั้นทำความดีพัฒนาตนเลื่อนจิตเลื่อนใจเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆมันก็จะรับประโยชน์นะแห่งความแห่งความเพียรที่ได้บาเพ็ญกูเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนดีย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นคนดีไม่ได้หลุดพ้นเพราะทำความดีนะ พอทำความดีมก็ยังก็ยังอาจจะยังยึดติดในความดีอยู่คนทำความดีเนี่ยหรือคนดีเนี่ยไม่ได้หลุดพ้นเพราะเพราะทานเพราะศีล น, นะแต่เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเกิดจากการภาวนาเกิดจกการฝึกใจสม่าเสมออ่าแล้วก็พูดกันเท่านี้นะอ่า